ยาซีเรียอเรื่องอาหารเป็นพิษหนุ่มอีสานคนหนึ่งเดินทางเข้ากรุงเทพพอลงรถที่หมอชิด เกิดหิวข้าวจนตาลายเพราะเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเย็นรีบเดินเข้าร้านกว๋วยเตี๋ยวอาแปะกว๋วยเตี๋ยวซ้ำอาแปะหันไปมองหน้าไอ้นี่ตายอดแตยอยากมาจากไหนสงสัยอดข้าวมาสามวันแล้วมัง้งสั่งกว๋วยเตี๋ยวทีละสามชามว่าแล้วก็ทกําก๋วยเตี๋ยวส่งให้สามชามเพราะแกเข้าใจว่าซาม หมายถึงสามเด็กหนุ่มจากอีสานมองก๋วยเตี๋ยวสามชามแบบงงๆแต่ไม่พูดอะไรเพราะหิวจะเป็นลมอยู่แล้วสามก็สามว่าแล้วก็ฟาดรวดเดียวเกลี้ยงทั้งสามชามพอกินเสร็จก็ยืดตัวเปรอเออเอาอากาศออกจากท้องกลิ่นเหม็นตลบอบอวนแล้วตะโกนว่า มีแห้งหมายถึงพอกินอิ่มแล้วเริ่มมีแรงอาแปะจับตามองไอ้หนุ่มนี่แบบตามไม่กระพริบอยู่แล้วได้ยินก็ตกใจคนอะไรตะกละสิ้นดีขวยเตี๋ยวสามแล้วยังไม่พอยังสั่งต่ออีกมันกินเอาไปไว้ที่ไหนของมันว่าแล้วก็ส่งมีแห้งให้อีกชามมีแห้ง หมายถึงมีแรงแต่แกเข้าใจว่าไอหนุ่มสั่งหมี่แห้งไอหนุ่มมองหมี่แห้งด้วยความงุนงงเช่นเคยคิดในใจว่าคนกรุงเทพนิจใจดีจริงเห็นเราหิวเลยทำมาให้เสียหลายชามน่านับถือน่านับถืออาแปะนั่งจ้องไอหนุ่มอีสานตาไม่กระพริบคิดในใจว่า มันสั่งกว๋วยเตีเ๋ยวอ้วหลายชามมันจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าวันเนี้รูสารรูปแล้วสงสัยความสวยแวะมาเยี่ยมแต่เช้าแน่เพราะกินหมี่แห้งเสร็จรู้สึกอิ่มหมีพีมันอิ่มสบายครบสูตรพอดีกะยกแขนทั้งสองข้างชูขึ้นทำท่าแบบบิดขี้เกียจ ร, รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกก็ตะโกนคำว่า ไขแน่ภาษาอีสานแปลว่าค่อยยังชั่วอแปะได้ยินตบโต๊ะชาดอ้วหวานแล้วมันตองเบี่ยวอ่วแน่ไอเวงกิ่งเสกตังก่็ไม่ใจแถมยังตะกงเท้าว่าไขรแน่อีกด้วยความโมโหแกก็คว้าขวดน้ำปลาใกล้มือควางไปที่หนุ่มอีสานแต่อแปะแกแ่กแกมากแล้ว พลาดไปโดนโต๊ะข้างๆไอ้หนุ่มอีสานตกใจคิดว่าเกิดการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างเป็นแน่จึงตะโกนว่าบ่แมน่นบ่แมน่นแน่ไอ้เวงขวางไม่ถูกมันยังว่ากูกขวางไม่แม่งมันทำอย่างงี้มันท้าทายกังชักๆโมโหเลือดขึ้นหน้าเลยคว้าเก้าอีเ้เหล็กตีกระหน่ำไปบนหัวไอ้หนุ่มจอมซวย ให้หนุ่มทั้งเจ็บทั้งตกใจตะโกนร้องลั่นร้านว่าอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยนั่นแน่วะ้ตีเต็มแรงแล้วยังหาว่ากอ้ตีค่อยอย่างนี้มังศบประหมักวอชักชักหาว่าโอ้บ่มีใกล้แกจึงตะโกนเรียกลูกชายจากหลังร้านมาช่วยกันตีไอ้หนุ่มอีสานสะหัวน่วมเป็นลูกมะกรูด กว่าจะมีคนอีสานเข้ามาช่วยแปลให้อแปะเข้าใจว่าอย่าทําค่อยหมายถึงอย่าตีผมอย่าทําร้ายผมไอหนุ่มอีสานก็ต้องนอนหยอดน้ําเข้าต้มไปหลายวันเคยมีไหมในชีวิตที่เราพูดอย่างแต่คนตีความหมายไปอีกอย่างหรือแม้แต่เราเองเคยไหม ที่แปลความหมายในคำพูดของคนอื่นผิดไปเพราะฉะนั้นการวิดีกว่าแก้ซักถามไม่เข้าใจก่อนจะได้ไม่มาเข้าใจกันผิดในภายหลัง